พระบัญญัติ5 8 8อก็ภิกษุใดทําการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปยะชนิดต่างๆต้องอบัตนิสกิยปาจิตตีเรื่องพระชาพพคีจบ